แต่ที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอย่างนี้อะไรอริยสติก็เกิดข้นไม่ไดแล้วเันสําำคัญที่มากเขาพูดถึงจากเท็จมากก่อนเท็จอริยสติทีหลังถูกแตมันต้องมาทางนี้ถงถึงจะมาพบกันอ่ะครับถูกแต่มันมองไม่เห็นเอกชนอ่ะว่างเหมือนกันว่างเมอกันเพรตัวสำคัญที่สุดคือตัวตัวมากอ่ะถูแต่ะเล่นอริยสติรวมมากแบบมันถึงจะรู้เรื่องกันได้ไม่ใช่ไปว่ากันยาว เหตุของสติผลของสติม e ันสัมพยุตอยู่ในตัวเหตุของูรู้ผลผรู้อยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรู้ตัวผลของรู้ตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวแล้วที่นี่พระเอานี่คนกัดฉากแสนก็อ่านมาแล้วประจวบยกคนไทยองบอกโกงๆอไม่จริงเยอะเลยมักเลยทีเดียวก็ไม่เอาเตืสติไปทีเดียวเขไม่เอาไปเรื่องอะไรก็าไม่ถูกถูกมันไม่เข้าใจกรรมกรรมเรียกรรมบัง ทำมือในหนาวกรแม่เลยามที่นจังสงใจเลยผูกสวยค่าน้ำค่าไฟผูเข้าเของจันมาสมัยฉันห้าพันของพ่อสวายหลวงปู่ห้าพันนะแม้ไม่ไทขนาดู้ใจหาคนเห็ดอยากคนต้อปีนภูเขาถึนมาไหนบอกพระอาหัรไม่มีอารมณ์เลยทำไมท่านหัวลอกกันใหญ่เอิกอักเอิกอักเนี่ย แปล ว, ว่าพระหานไม่หัวรอะเหรอคิดติดคิดใหม่ได้นะก็โวหารโวหารก็บอกตรงอยู่แล้วก็าหายหารลงถูกไหมใช่โวหารก็หายสวรรค์ลงใ่หมยไปหมดเลยหนึ่งหนึ่งศูนแสนมันจะพูกก <subscribers> ันแล้วอ้โไม่มีเลย